เปิดประตูใจไว้เมื่อหลายร้อยปีก่อนมีพระเจ็ดรูปอาศัยอยู่ในถ้ำในป่าแห่งหนึ่งในทวีปเอเชียปฏิบัติเมตตาภาวนาให้มีความรักที่ไม่มีเงื่อนไขดังที่อาตมาเล่าในเรื่องที่แล้วมีพระอาจารย์เป็นประธานสงฆ์ พร้อมทั้งพระน้องชายและพระที่เป็นเพื่อนสนิทของท่านองค์ที่สี่เป็นคู่อริของพระอาจารย์เพราะนิสัยใจคอเข้ากันไม่ได้เลยองค์ที่ห้าเป็นพระที่จาราภาพมากจนคาดหวังได้ว่าท่านจะมรณาภาพได้ทุกเมื่อองค์ที่หกเป็นพระที่กำลังอาพาธหนักพร้อมจะมรณาภาพได้ทุกขณะ ส่วนพระองค์สุดท้ายเป็นพระที่ไม่เอาไหนเลยเวลาทําสมาธิภาวนาท่านก็กรนเป็นประจำท่องบทสวดมนต์ก็ไม่ได้แถมเวลาสวดก็ยังสวดเสียงหลงอีกด้วยไม่เคยสวมจีวรได้เรียบร้อยแต่พระองค์อื่นๆก็ไม่ได้รังเกียจท่านแถมยังเห็นคุณค่าที่ท่านมีส่วนช่วยให้พระทุกๆองค์ ฝึกความอดทนวันหนึ่งโจรกลุ่มหนึ่งได้คนพบถ้ำแห่งนี้มันอยู่ไกลโพน้นเหมาะจะเป็นที่หลบซ่อนได้ดีมากโจรจึงต้องการจะยึดถ้ำนี้ไว้เป็นฐานที่มั่นและตกลงใจจะฆ่าพระทั้งหมดทิ้ง เพราะดีที่พระอาจารย์เป็นนักเทศสามารถโน้มน้าวจิตใจคนได้เก่งมากท่านจึงสามารถจัด ก, การอย่าถามอาตมานะว่าท่านพูดอย่างไรโน้มน้าวโจรให้ปล่อยพระไปเสียโดยเหลือพระวเพียงองค์เดียวที่โจรจะฆ่าเพื่อข่มขวัญพระองค์อื่นไม่ให้เปิดเผยแหล่งถ้านี้ให้ผู้ใดทราบ นั่นเป็นข้อตกลงที่ดีที่สุดเท่าที่พระอาจารย์จะสามารถต่อรองได้จนปล่อยให้พระอาจารย์อยู่ตาลำพังราวสองสามนาทีเพื่อจะได้ตัดสินใจเรื่องที่แสนยากยิ่งนี้ว่าผู้ใดสมควรจะเสียสละชีวิตเพื่อให้พระองค์อื่นรอดไปได้ เวลาอาตมาเล่าเรื่องนี้ให้ผู้คนฟังอาตมาจะหยุดถามผู้ฟังว่าเอาละพวกโยมคิดว่าพระอาจารย์เลือกใครเป็นการช่วยให้ผู้ฟังหายจากอาการง่วงนอนขณะฟังเท็และช่วยปลุกผู้ฟังที่ได้หลับไปแล้วด้วยอาตมาทบทวนให้เขาฟังว่ามีพระอาจารย์ น้องชายเพื่อนสนิทที่สุดกู่อริพระแก่พระอาพาธซึ่งทั้งคู่เฉียดความตาอยู่แล้วและพระที่ไม่เอาไหนโยมคิดว่าท่านเลือกใครบางคนเสนอว่าคู่อริอาตมาตอบว่าไม่ใช่น้องชายหรือผิดพระที่ไม่เอาไหน และไม่เป็นประโยชน์ถูกเอ่ยนานอยู่เสมอพวกเราจังไร้ความเมตตาปรานีเสียจริงเมื่ออาตมาสนุกกับการทายพอสมควรแล้วอาตมาจึงเฉลยคำตอบว่าพระอาจารย์ไม่สามารถเลือกใครได้ความรักที่ท่านมีต่อน้องชายของท่านเท่าเทียม ไม่มากไม่น้อยไปกว่าความรักที่ท่านมีต่อเพื่อนสนิทที่สุดของท่านและทัดเทียมเช่นเดียวกันกับความรักที่ท่านมีต่อกู้อริของท่านต่อพระแก่พระอาพาธและแม้แต่พระผู้ไม่เอาไหนไร้ประโยชน์องค์นั้นด้วยท่านเป็นผู้ที่ทำให้ความหมายของคำพูดเหล่านี้สมบูรณ์จริงๆประตูใจของฉันจะเปิดรับเธอเสมอ ไม่ว่าเธอจะทำอะไรและไม่ว่าเธอจะเป็นใครประตูใจของพระอาจารย์เปิดกว้างสำหรับทุกๆคนโดยไม่มีเงื่อนไขไม่เลือกที่รักมักที่ชังเป็นความรักที่ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณและที่สุดๆุดไปเลยนั้นความรักที่ท่านมีต่อผู้อื่นเท่าเทียมกับความรักที่ท่านมีต่อตอนเอง ประตูใจของท่านเปิดกว้างสำหรับตนเองด้วยท่านจึงไม่สามารถเลือกระหว่างตัวท่านเองกับพระองค์อื่นๆได้อาตมาตเตือนความจำเพื่อนชาวยิวชาวคริสที่อยู่ในกลุ่มผู้ฟังว่า คำพีของเขากล่าวว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองไม่มากกว่าตนเองและไม่น้อยกว่าตนเองแต่เท่ากับตนเองมันหมายถึงการมองผู้อื่นเหมือนกับมองตัวเองและมองตัวเองเหมือนกับมองผู้อื่น ทำไมผู้ฟังส่วนใหญ่ของอาตมาจึงคิดว่าพระอาจารย์น่าจะเลือกเสียสละตนเองในสังคมเรานี้ทำไมคนเราจึงมักจะยอมเสียสละตนเองเพื่อผู้อื่นอยู่เสมอเสมอและทำไมการกระทำเช่นนี้ได้รับการยกย่องว่าดีทำไมพวกเราจึงเรียกร้องวิพากษ์วิจารณ์และทำโทษตนเองมากกว่าที่ทำต่อผู้อื่นมันก็เพราะเหตุผลหนึ่งเดียวนี้แหละ เพราะเรายังไม่เคยเรียนรู้ที่จะรักตนเองถ้าโยมพบว่ามันช่างยากนักที่จะกล่าวกับผู้อื่นว่าประตูใจของฉันเปิดรับคุณเสมอไม่ว่าคุณจะทำอะไรความยากที่ว่านั้นเทียบไม่ได้เลยกับความยากที่โยมจะต้องเผชิญเมื่อจะกล่าวกับตนเองว่าตัวฉัน ผู้ที่ฉันอยู่ใกล้ชิดที่สุดมานานแสนนานตั้งแต่จำความได้ตัวฉันเองประตูใจของฉันเปิดรับตัวฉันเองด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นฉันไม่ว่าฉันจะเคยทำอะไรมาจงเข้ามาได้เลย นั่นคือการรักตนเองที่อาตมาหมายถึงมันคือการให้อภัยเป็นการปลดปล่อยตนเองออกจากเรือนจำแห่งความรู้สึกผิดมันเป็นการอยู่กับตนเองอย่างสงบสุขและถ้าโยมมีความกล้าหาญที่จะกล่าวคำนี้ต่อตนเองอย่างซื่อสัตย์และจริงใจมั่นคงภายในใจของโยมเองเมื่อนั้นโยมจะเจริญขึ้น ไม่ใช่เสื่อมลงเพื่อให้สมกับความรักที่สูงส่งนั้นวันใดวันหนึ่งเราทุกคนจะต้องกล่าวคำเหล่านั้นกับตนเองหรือคำที่คล้ายๆกันอย่างซื่อสัตย์จริงใจไม่ใช่ด้วยกวลเม็ดใดๆเมื่อใดที่เราได้ทำแล้วเราจะรู้สึกประเ น, น่นว่าบางส่วนของตัวตนที่เคยถูกปฏิเสธไม่ยอมรับ กลายเป็นส่วนอนอกที่หนาวเหน็บมานานได้กลับคืนสู่บ้านแล้วเราจะรู้สึกถึงความสมบูรณ์พร้อมสอดคล้องกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวและความเป็นอิส ร, ระที่พร้อมจะเป็นสุข mm hmm. เมื่อเรารักตนเองได้เช่นนั้นเราจึงจะเข้าถึงความรักแท้ที่มีต่อผู้อื่นไม่มากไม่น้อยไปกว่าการรักตนเอง และโปรดอย่าลืมว่าโยมไม่จําเป็นจะต้องดีเลิศไรที่ติไร้ความผิดพลาดใดๆจึงจะให้ความรักชนิดนั้นแก่ตนเองได้ถ้าโยมรอคอยความดีสมบูรณ์แบบโยมจะต้องคอยเกื้อเราจะต้องเปิดประตูใจของเราให้ตัวเราเองไม่ว่าเราได้เคยทําอะไรมาบ้างเมื่อเราก้าวเข้ามาแล้วนั่นแหละเราจึงจะสมบูรณ์เพียบพร้อม ผู้คนมักจะถามอาตมาว่าเกิดอะไรขึ้นกับพระทั้งเจ็ดองค์เมื่อพระอาจารย์บอกพวกโยนว่าท่านไม่สามารถเลือกได้เรื่องที่อาตมาได้ฟังเมื่อหลายปีก่อนนั้นไม่ได้กล่าวถึงมันจบลงเท่าที่อาตมาได้เล่าไปแล้วแต่อาตมารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปหมายเหตุ เรื่องนี้เป็นการรวมเรื่องจากแหล่งต่างๆโดยเฉพาะเรื่องดั้งเดิมในธรรมบทตอนที่ร1 0ยสิและคำกล่าวของพระอรหันต์อธิมุตตะเทระในเทระคาถาอาตมาคิดเอาว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อพระอาจารย์อธิบายให้พวกโจรฟังถึงเหตุผลที่ท่านไม่สามารถเลือกระหว่างตัวท่านเองและพระองค์อื่นได้ อธิบายความหมายของความรักและเมตตาตลอดจนการให้อภัยเช่นที่อาตมาเพิ่งชี้แจงให้โยมฟังพวกโจรฟังแล้วรู้สึกประทับใจและซาบซึ้งใจมากจนไม่เพียงแต่จะปล่อยพระทั้งหมดให้มีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วโจรทั้งหลายยังกลับใจขอบวชเป็นพระสงฆ์อีกด้วย